ฟังธรรมเป็นนิจจิตรจเฉยๆเราไม่ศรัทธาเชื่อโพีิศรัทธาเชื่อพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้ามีจริงแต่จะลู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วสอนคนเดินให้ลู้ตาม เราเชื่อจริงๆพระธรรมที่ทำให้เกิดการตัดสู้เป็นผู้เจ้ามีจริงผู้ใดปฏิบัติตามก็ย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นสมควรแก่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นสิ่งที่น้อมมาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ควรบอกคนอื่นเป็นอากาลิกะธรรมไม่ผลได้งูชนผู้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอาการปฏิบัติตามธรรมร็ยอมรู้ยิ่งเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า ไม่เรียกว่าพระเจ้าหรือว่าสาวกหรือว่าพระสงฆ์มีอยู่จริงแล้วก็สอนก็นหนุนให้รู้ตามแล้วก็ชื่อจัางนี้เรียกว่ารัตนพระรัตนาตายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีคุณต่อเราเราเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ ยิ่งจะเป็นสิ่งที่ดีที่งามสำหรับชีวิตเราชีวิตเราม่รูปมีนามต้องมีสิ่งปฏิบัติต่อรูปต่อนามที่ถูกต้องจึงจะมีประโยชน์ถ้าไม่ปฏิบัติต่อสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นทุกข์เป็นโทษได้ ยังมีศาสนามีคำสอนเราไม่เหมือนสัตย์ดิลชนันเหมือนพูดประวานนี่ว่าคนไปทางต่ำโปนเปนไปหลายอย่างคุ้มร้อยคุ้มดผีผูู้แผลแผลได้บ่าคนความสุข ก, ก็เอาความทุกข์ก็เอาความโกรธก็เอาความโลภก็เอาค หลงก็เอาหรือ ว, ว่าคนไปทางต่ำๆต้ต่ำไปมากก็ไปถู่อบายพัฒนาไม่ขึ้นทำดีได้ยากทงชั่วได้ง่ายบางชีวิตหรือ ว, ว่าคนไม่ปฏิบัติตามธรรมไม่มีรั้วไม่มีแนวทาง ตัวตัวรูปตัวนามเป็นมนุษย์ไปทางสูงสูงเห็นความโกรธเห็นเหมือนโกรธไม่ได้เป็นผู้โกรธเหมือนหลงเห็นหลงไม่เป็นผู้หลงเหมือนทุกข์เห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นไม่เป็นตนโศนตน เว่ามานุษย์ไปทางสูงสงแก่ไขตนอยู่เสมอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาที่ิจิงจงไม่เป็นอะไรมันปกติเป็นบ้านของจิตของใจเป็นบ้านของรูปของนามหรือว่าปกติสิ่งที่ไม่ผิ ด, ผดปกติคือสิ่งที่จรมา เช่นบิดยาณคือนามธรรมนี้แต่เดิมบริสุทธิ์ปกติอยู่เป็นนิดแต่ขันตุกะมันจรมาทำให้เศ้าหมองเชื่อนความหลงความโกรธมาทีหลังมาปเปื้อนเอาเหมือนผ้าขาวสอาดเมื่อใช่ไม่เป็นก็ไปเปื้อนไปเปื้อนซะการเปื้เปื้อนไม่ใช่ผ้า เป็นจริงตังอื่นตังหากจิตของเรานีแต่เดิมบริสุทธิ์อยู่ความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ความรักความชังความล้ายความดีมันมาเเพื้อนเฉยๆแล้วก็แช้ได้เปลี่ยนได้ไม่ใช่เราเกิดมาคนโกรธเราเป็นผู้โกรธถ้ากูได้ดโกรธตายไม่ลืม ไม่ถูกต้องตามตามความโกรธเสียผู้เสียคนเสียเปรียบความโกรธจมกันม ไ, ไม่ได้เมื่อมีความโกรธความหลงความโลภเกิดขึ้นไปเป็นอกุศลไปก่อยต์ตาไปสู่นรกพาไปสู่เปรตพาไปสู่ร่กายที่ฉันง่เดี๋ยวนี้คนเราเขาเฉลากันแล้วเอาพัฒนาแล้ว ถ้าใครยังหลงยังโกรยังโลภยังทุกข์อยู่ถือว่าไม่ทันสมัยล่าสมัยเป็นคนล่าสมัยในสิ่งที่เราโกรธเราทุกข์เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงกันแล้วมีวิธีปฏิบัติปฏิบัติจากนี้ต้องหัดต้องฝึกต้องหัดเพราะมือนเปื้อนมา ชีว right, ิตเราเป็นร <zers> ุดมือสองถูกโกดถูกหลงถูกโลดถูกทุกถูกลกถูกชั่งถูกต้ยถูกเสียเต็มลอยเต็มไปหมดเลยในชีวิตของเราเนี่ยเราบำเพ็ญบะจูนี่เวลาเราไม่สร้างสติอะไรมันจวนมามันเคยใช้นั้นเคยใช้ใช่กายใช่ใจ ก็อันตรูบุตริตบุตริก็คิดถึงบุตริกินหมา ก, ก็คิดถึงหมากกินเล้าก็คิดถึงเล้าโดยที่ยวตีเล่นล่นเคยคิดอะไรไว้ก็ไหลไปสิ่งที่เคยชินโน้ยก็จะมีงานให้เราทำํำเราก็บอกมีสติมีวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่จอนมามีสติเป็นเจ้าของเจ้าของกาเจ้าของใจ แต่ท่บัดทำคือมาดูแลกายมาดูแลจิตใจให้มันคุ้มอย่าปล่อยทิ้งบอกได้ว่าบ้านของจิตคือปกติกลับมาสู่ปกติมารู้จักตัวความรู้จักตัวถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มีบ้านมีที่อาศัยเียนได้ทุกอย่างความหลงเกิดขึ้นเห็นมันหลงไม่หลงทำไปอย่างนี้ มันทุกเห็นมันทุกไม่ทุกไม่เป็นผู้ทุกค้นจากความทุกมาล่อยเป็นดีมาล่อล่เป็นดีตำอย่างนี้เปลี่ยนพาาพุทธพื้นไปอาศัยพระเจ้าว่าบอกคืนไม่มีที่ไม่มีไม่มีที่ทให้ไม่ให้ที่อาศัยไม่ให้อาศัยไม่ให้ที่อาศัยไม่ให้ค่า ไม่มีที่ให้ตั้งไม่มีที่ให้วางบอกึ้นนี่ตามหลักอริยสัจบอกึ้นซักสะพานออกไม่ทอวสะพานให้กลมหลงไม่หลงทักสะพานแล้วไม่มีให้ที่อาศัยแล้วไม่ให้ค่าไม่ต้อนลับ ดว่าเรามีจิตเวลามันหลงเรามีจิที่ไม่หลงเวลามันโกรธเรามีจิที่ไม่โกรธเวลามันทุกข์เรามีจิที่ไม่ทุกข์ใช่จิตที่ของเราไม่เป็นธรรมมีความเป็นธรรมใจจิตของเรามันก็ต้องกิดความเป็นธรรมอยู่ความหลงไม่เป็นธรรมต่อกายต่อใจความทุกข์ไม่เป็นธรรมต่อกายต่อจิตใจ ความไม่หลงความไม่ทุกข์เป็นธรรมตัวกายตัวจิตใจถ้าเรามีความเป็นธรรมสร้างความปเป็นธรรมเกิดขึ้นกับกายกับใจก็เกิดความเป็นธรรมแต่สิ่งอื่นวัตถุอื่นได้เราไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากคนอื่นมันก็หาไม่พบจึงมาปฏิบัติธรรมมาดูแลกายมาดูแลจิตใจของเราให้มันคุ้ม มันก็มีไม่มากนี่กายไม่ใจเท่านี้อะไรามาสติเป็นเจ้าเป็นทวารบานเป็นนายประตูเป็นผู้ดูผ่านมาทางนี้หมดลอยเกิดขึ้นมาสติต้องเห็นหรือว่ามีหน้าโลกสติเป็นหน้าโลกหน้าในา ไม่เหมือนหน้าตาหน้ารอบรอบไม่เผอไม่เผอทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเกิดทุนท้นัรนทำบันดอัหนึ่งขึ้นมาได้ก็สู่ทมแห่งพระอายะบุคคลเช่นไรเช่นหนึ่งเห็นไม่เป็นเนี่ยไปไกลได้เป็นเหรอตกตำ่ำ ถ, ถูกเป็นถูกทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงตกตำ่ำ เรเห็นไม่เป็นไปไกลเป็นศีลแล้วเราชั่วแล้วทำดีแล้วมีกิจบริสุทธิ์แล้วมีสติมันก็รับความชั่วแล้วมีสติมันก็ทำความดีแล้วมีสติกิจก็บริสุทธิ์แล้วมาเป็นพวงไม่ใช่คุบหน้าคุบหลังความดีมาเป็นพวง ความชั่วหมดไปเป็นพวงๆเหมือนกันเราปฏิบัติจากนี่เรียกว่าปฏิบททัติธรรมนั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ให้ผลได้เวลามันหลงรู้นี่มันต่างกันอยู่ระหว่างความหลงกับความรู้เวลามันทุกรูก้มันต่างกันอยู่ความทุกข์กับความรู้สึกตัว หัดสัมผัสครับหัดหัดสัมผัสกับธรรมผู้ใดเห็นธรรมอย่างนี้พู้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั่นชื่อว่าเห็นพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือมันเกี่ยวข้องทําไมมันจึงทุกข์เพราะมันหลงปลอมหลงเป็นบรรดาของความชั่วเป็นอกุศล ควมไม่หลงเป็นมารดาของความดีคือกุศลแล้วก็มีเหตุอยู่ตรงนี้เดียวควบรู้สึกตัวนี่ไม่ต้องไปขอใครไม่าการกระทาให้เกิดขึ้นมาได้ทันทีปฏิบัติได้ให้ผลได้ทันทีไม่จำกัดการไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่เป็นหญิงไม่เป็นชายไม่เป็นเพศเป็นวัยเป็นลัทธินิกาย เป็นธรรมเป็นสากลสากลแห่งธรรมใคก็ตามถ้ามีรูปมีนามก็มีสติเหมือนกันหมดมีหลงคู่กับควมไม่หลงมีความทุกข์คู่กับพวมไม่ทุกข์เหมือนกันหมดมีการเกิดเจ็บเจ็บตายเหมือนกันหมดมีการกระทําเหมือนกันหมด กาทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วสิ่ที่ทำก็คือกายคือใจนี่กาทำชัว่วอะไรผลความชัว่วเหมือนลรอเกียนเหมือนตามลอยเข้าของโคทำดีก็เป็นผลของดีเป็นมากเป็นผลไม่น่าจะยาก เปลี่ยนเขาหลงเป็นลูกไม่น่าจะยากถ้าหลงเป็นหลงมันอาจจะยากกวัวยากกลัวสัมผัสตัวเลยกมันหนักน้าหลงที่ใดลูกทุกที่ใดลูกมันเบาๆสัมผัสดูดีๆให้ให้มีรถมีรถพระธรรมนันมีรถเดียวธรรมะนี่คือลูกรวมหลงรวมโกรธรวมโลภควมทุกข์มันหลายรถ ตำราความชางังความดีใจเฉียใจแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นไว้มสุกับความลดทั้งโลกมันหมดมันจืดมันจืดได้ไม่มีค่าความทุกข์ไม่มีค่าความสุขไม่มีค่ามีแต่ความรู้จึกตัวเท่านั้นเห็นไม่เป็นนี่ยค่าสูงเหนือโลกทันทีที่เราฝึกหัด ทำให้จำไม่จานานจานานในทางนี้บอกคืนบอกคืนอะไรเกิดกับล้ากับใจน <c oughs> ิสติเป็นเจ้าของแล้วแต่ก่อนนี้ไม่มีเป็นสติเป็นเจ้าของคิดใจเป็นจิตใจที่สมสน่นโสภาณิจิต ค, คิดอะไรก็ได้ไม่รู้จักหยุดเวรคิดตัวเอง ในความคิดพาไปสมสอนบทนี้มีเจ้าของลักงวนสงวนตัวใช้ความคิดไม่ให้ความคิดใช่เราเราใช่กายไม่ให้กายใช่เราเราใช่ตาใช่หูจงบกลื้นกายใจมีสติเป็นเจ้าของใช่ให้ชอบใช่ถูกต้อง แต่คราวนี้ถ้าเราจะไม่ปรึกเ้แต่กิจ ก, ก็ไม่ไม่มั่นใจตัวเองคลุมคล้อยคลุมดีเถื่อนมากพรานั่นเราจึงมาฝึกตนสอนตนให้มีคุณนทามเกิดขึ้นทาได้ปฏิบัติได้โดยเฉพาะวิชากรรมฐานนี่เป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์ฐานใจ เป็นปัจจตังทันทีวิชาสติประฐาน <c oughs> ู้เฉียนเข้าเหยี่อเฉียนออกตามที่พุทธเจ้าได้ตัดจรู้กับเรื่องนี้เราจะมาทำตรงนี้มาทำตรงที่พุทธเจ้าได้ตัดจะรู้ในคืนเดียวเนี่ย บ่งทำอย่างไรล้เว้นทำตรงนี้กันมานั่งคู่แขีงนเขา้าเหย่อเฉีนโอกทางอื่นทำมาหมดแล้วหรือเรื่องเดือคือมาดูแลกายมาดูแลใจซึ่มีสตินี่ว่ามาดูว่าเห็นอะไรที่มันเกิดกับกายกับใจมากมายได้เปลี่ยนมาเป็นลูก คิดถึงพิมพากลับมาคิดถึงลาหุ่นกลับมาคิดถึงบัดสาวจอมรุ่รุ่กลับมาคิดถึงเสาสนมกำนันในกลับมากลัวตายกลับมาทำท่าจะเป็นไข้ปวดเนื้อขั้นตัวกลับมาเราจะลำบากกวพวกเราไม่มีเพื่อนเช่คนเดียวไม่มีที่อาศัยอยู่ไร้ต้นไม้ บาทีอาจจะมีงูด้วยมาโยงก็หลายไตวงกายรีนไหลกัดมีปัญหาของพวกเรายัางสู้จนตั้งกิจจังใจเบื่เนือเงือเอ็นกระตูกจะพูพังไปก็าตาม ไม่บรลุธรรมจะไม่ลูกจากที่นี่เข้มแข็งอย่างนี้มหาบุรุษไม่ใช่อ่อนแอสู้มีหลักแนวต้องสู้ อ, อะไรจะเกิดขึ้นมาลู้นตะพึ่ตะือไปอย่างนี้เปลี่ยนไล่เป็นดีเพียนไล่เป็นดีปเปเี็ยนมาเป็นควรู้จากตัวบทโตได้ช่องได้ทางได้กระแส ได้เห็นจฉดเสือเหมือนเห็นเสียงเงินเฉียงทองบอกทิศทางทําไปทำมามันก็ได้กระแสขึ้นมากระแสที่แรกก็มองชีวิตเหมือนกับมีเหตุปัจจัยเหมือนไม้สี่อยไม้ไผเที่ยวมาสีฝอยเมื่อมันเปียก หมันแช่น้าอยู่มาสีไฟย่อมไม่เกิดง่าไผ่ไนั้นเอาขึ้นจากน้ําเมื่อปัญญาไม่แห้งมาสีไฟก็ไม่เกิดง่าไผ่ไนั้นเอาขึ้นจากน้าแล้วภากจากน้ามาแล้ววางบนบกแล้วจนมันแห้งพอมาสีไฟไฟย่อมเกิดก็เปรียบเทียบกับชีวิตของพระองค์ เวลานี้ภาคมาแล้วออกจากพระราชวังมาแล้วพิมพาก็อยู่กับบิลลาพัทเราหนุนก็อยู่กับบิลลาพทัทรัพย์สินเสดงคารอยู่ที่กั บ, บิลลาพัทเราวนั่งอยู่นี่พุธคขาใต้ร่มไม้แต่จิตใจยังไปจุ่มอยู่คนเคยมีควลูกก็คิดถึงลูกไปจุ่ ม, มก็เปียกได้แม่ภาค็อห้งแต่ไม่แห้งก็ยพยายามที่จะทํา ให้ม <bees> ันแห้งมันคิดไปรู้ไปกลับบางทีที des des ่ถึงเสาวสนมสวยสวๆสาวๆกลับมาที่ถึงประชาทสาลูอยู่แล้วดูผลอยู่หลังหนึ่งจะดูหนาวอยู่หลังหนึ่งจะดูลนอยู่หลังหนึ่งกลับมามันจะไปชุ่มนันจะไม่แห้งกลับมือรู้สึกตัวกลับมากลับมากลับมาอะไรที่มันเกิดขึ้นกลับมา มาเป็นความรู้จักตัวทั้งหมดต่าได้คิดได้ทางพุ่นภาวะเดิมๆขึ้นมาเรียก ว, ว่ายาอนปัญญาอุดเพลิงหัวสอนสติยาอนมันต่างกั บ, กบอดีตที่ผ่านมากับเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมเช่แล้วกิตที่มันภาคมานั้น ทุกขรังทุกคราวมันหลงลู้มันหลงลู้มันหลงลู้ต่างกันแล้วว่าเนี่ยมันทุกรู้มันคิดไปลู้กลายเป็นกวาลู้เลยออกกลับไปคืนเที่เก่ามันนานมามันแห้งให้มันให้มันให้มันคิดไปมันก็ไม่ไปไอ้ว่าฉุกไอ้วันคิดเป็นฉุกที่มันคิดเป็นทุกข์มันไม่ไปมีแต่ลู้รู้ที่ว่าบุพเพในหัาสารนิสติยานต่างเก่าเปนภาวาเดิม อาสวัคยายานโอเพนิวาสานสตียานตุตุปัจจญานเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงต่างเก่าเป็นพกใหม่ในจิตวิญญาณอาสวขคยายานทำอะไรให้มันชินไปมันชินไปจริงๆหมดไปจริงๆอันื่นมาแทน ความหลงหมดไปความโลภความโกรธหมดไปความไม่โูภไม่โกรธมาแทนความเมตตากุณาเกิดขึ้นเรียกว่าอาสวะกายยานสิ่งที่เป็นอาสวะกิเลสทั้งหลายที่เป็นอย่างยาบอย่างกลางหมดไปจนในที่สุดเข้าสู่เป็นพุท ธ, ธะต่อจะรู้ ตามที่เราได้สสาะขยายพัสตุเรื่องอะไรมมากนะสมเรื่องปฏิบัติองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สเป็นอย่างไรมันเกี่ยวกับกายกับใจต่างนานในหลักการปฏิบัติไม่ใช่ไปอ่านหนังสือมันมีอยู่ที่กายที่ใจแล้วจึงไม่เขียนเป็นตัวหนังสือ ทีลังปฏิบัติปริยัติเป็นสปฏิบัติเป็นทีหนึ่งปริยัติเป็นทีสอแต่ก่อนไม่มีหนังสือตั้งละตุมบาเรียนยังเกิดพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นแสเกี่ยวกับารปฏิบัติมันเป็นสูตรอยู่เกี่ยวบพระสูตรคือเรื่องของกายของใจเรานี่ยทำก็อยู่ที่นี่วิในและเบียบต่างๆอยู่ที่นี่ มันมีระเบียบที่ไหนปฏิบัติอย่างมีระเบียบระเบีย บ, บที่เราปฏิบัติต่อตัวเองตัวคมลงเ ง, งินมันหลงไม่หลงมีระเบียบอย่างนี้นั่เหมือนทุกไม่ทุกมีระเบียบอย่างนี้มีเช้นไปอย่างนี้มีทางไปอย่างนี้ให้ปฏิบัติให้มันคล่องให้มันชํานาญให้มันชํานาญในความหลงไม่หลงชํานาญมากจนมันเป็นไม่ใช่ลูก มันเป็นทำเป็นภาวะที่ทำเป็นไม่มีใครโศนไม่มีว่าหาวิไลยที่ไหนโศนมีแต่ตัวเราเองโศนตัวเราเองใอ้มันเป็นมันเป็นไปเองเมื่อมันเป็นแล้วมันไม่ลืมมันเห็นแล้วมันไม่ลืมเห็นของเทศของกิ่งไม่ลืมไม่เหมือนกับจำรู้กแก้ง ไม่รู้จักลืมถ้ารูจมมันลืมรูกแจก้งไม่ลืมเห็นรูเห็นนามแก้งจริงๆในรูปมันเป็นรูพิงจริงนามก็เป็นนามจริงๆมีสมมุติในรูปมีสมมุติในนามมีบัญญัติในรูปไม่บัญญัติในานามเรื่องความหลงเป็นสมมติบัญญัติก็ไม่หลงเป็นบัญัติส์ ความโกรธเป็นสมมติปั ญ, ญาติความไม่โกรธเป็นปรมาจักรมันจริงตกันเอาไม่ได้จเจ้าของไม่จริงเป็นของจริงไว้ได้ของจริงมันมีอยู่มันไม่ลืมมันเห็นแจ้งเห็นรูปเห็นนามอาการเกิดกับรูปอาการเกิดกับนามไม่ใช่ตัวใช่ตนเวทนามันก็ไม่ใช่ตัวตน มันจุกมันทุกนั่นไม่ใช่ตัวตนสัญญาที่มันจับมันบันทึกอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรมาไม่ใช่ตัวตนสังขารที่มันปรุงมันแต่งมันก็ไม่ใช่ตัวตนวิญญาณที่มันไปติดอะไรมามันก็ไม่ใช่ตัวตนเราใช่ไหมเป็นมันก็ติดอะไรมาเราเห็นเห็นแจ้งเห็นแจ้งนี่ลูก แจ้งในานามความปวดไม่ใช่นามเป็นอาการของที่มาเกิดขึ้นกับนามมาทำหรือว่าอาการควมโศกความทุกข์มาต้องเรียกว่าเป็นโุกเป็นทุกข์เป็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูกนามไม่ให้ค่าเลย สุขไม่เคมีค่าทุกข์ไม่มีค่าเป็นอาการจิบจ้อยไม่ได้หัวเระลองให้เพราะอาการที่มันเกิดขึ้นกับรูปกำนามเพราะไ่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เด็ดขาดเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นมันมีรูปมือสงขารมีวิญญาณมันรู้เลยได้มีธาตุมีวิญญาณธาตุญญาายุ่งกับก็เจ็บ นั่งงานก็ปวดก็เมื่อยยืนเดินนอนนั่งนานก็ไม่ไหวมันก็เป็นอาการของรูปมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนเปินลูกทุกเป็นก้อนทุกขึ้นนิดหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นการใช่ทุกยืเนเดินนั่นอนคู่เหยอะเกลืนไหวเป็นการเช่ทุกของลูกมันไม่ใช่ทุกอลิสต์บุกอย่างนี้มัใช่ความทุกเป็นอาการที่เราเรียกว่า สภาวะธรรมสภาวะทุกข์ตามธรรมชาติอันนี้แก้ไม่ได้เวลามันหิวก็ต้องกินข้าวเวลามันหนาวเอาผงผ้ามีแต่บรรเทาทุกข์ที่เป็นทุกข์ริจฉเนี่แก้ได้เด็ดขาดเด็ดขาดขยันตรงนี้เบมโกดเด็ดขาดความหลงเด็ดขาดความทุกข์เด็ดขาดสังขารที่มันเกิดเป็น ตัวสมุทัยเนี่ยมันเด็ดขาดเด็ดขาดแบบว่าทุกที่เป็นภาวาทุก์ตามธรรมชาตินี้ได้ปัญญาปัญหามันเป็นปัญญามันเห็นแจ้งอย่างนี้มันเห็นแจ้งอย่างนี้จึงไม่สงสยัยมันไม่ลืมเหมือนกันหมดทุกคน เราเห็นคนเขาหลงสิงที่เขาหลงเราก็รู้เราไม่หลงเหมือนเขาสิ่งที่คนอื่นโกรธเราเคยโกรธสิงที่เขาโกรธแต่วันนี้เราไม่โกรธเราไม่ทุกเว้นการเกิดเจ็บตายมันเจ็บเขาเป็นทุกข์เพรมัเจ็บเพามเจ็บเขาเป็นทุกข์เราไม่ทุกข์กเพรเจ็บเราเห็นมันเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บมันแยกเห็นไม่เป็นนี่มันยิ่งใหญ่ มีจะเห็นไม่เป็นนี่เป็นเป็นผลของการปฏิบัติเพราะมันผ่านมาจริงจริงมันผ่านมาจริงๆจะให้เป็นอีกมันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้มีอันใหม่มาจึงเหนือการเกิด เ, เ, เจ็บเจบตาย ทำเนี่ปฏิบัตินี่มันเป็นผลอย่างนี้มีลูกเป็นนามมันเพื่อการนี้ไม่ใช่มาเกิดเจ็บเจ็บตายเจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มันไม่ใช่เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สัญชานเป็นทุกข์ปัญญาณเป็นทุกข์ความพันพาจากของลักของชอบใจเป็นทุกข์คมไม่สบายกายควมไม่สบายใจเป็นทุกข์ภาษาชื่นแไม่ได้ชึงนั้นก็เป็นทุกข์มันตรงกันข้าม ความพันภาคจากของรักของชอบใจไม่เป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ถูกความทุกข์ยัางเอาแล้วถ้าเราไม่ศึกษาก็ถูกความทุกข์ย่างเอาว่าไม่ศึกษาทำเชนไหนการทำที่ถูดแต่งกองทุกข์จะสึกรึงปรากรชัดเจนเรามีทางอย่างที่ปฏิบัติธรรมนี่แต่มันปรากฏชัดเจนเราขึ้นมา ได้จริงจริงไม่มีวิธีใดนอกจากทําตามพระพุทธเจ้าสอนทําที่ทําให้เกิดตอนตัดสู้ทำให้ที่เกิดเป็นพระเจ้ามันก็มีสัมผัสได้ทุกคนไม่ใช่ไปขอใครมีอยู่แล้วในตัวเราเราหัดมันหลงเราไม่หลงหัดอย่างนี้มันทุกข์เราไม่ทุกข์เห็นวันทุกข์ไม่ทุกข์อย่างนี้ ให้เห็นอย่างนี้มิศติอย่างนี้จะ ต, ติมันเป็นการบูงกันแก้ไขเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้เหมือนกับธรรมที่เป็นโอสถจักกตวาพุทธรตะนังเป็นโอสดุด เป็นโลกแก้โลกที่มันจะเกิดทางจิตปัญญาอันโลกที่เกิดกับลูกอาศัยหมออาศัยอยู่กิดอาศั ย, ยามีบุคคลที่หนึ่งที่สองช่วยแต่โลกที่เกิดจากนามธรรมาเนี่ยไม่มีใครช่วยเรามีแต่ทำเท่านั้นมีอย่าไปจนมันหลงในความไม่หลงก็มีมันทุกข์ในความไม่ทุกข์ก็มีมันโกรธในความไม่โกรธก็มี มันตรงกันข้างอยู่มีวิธีปฏิบัติไม่จนเป็นผู้ไม่จนไม่จนในเรื่องนี้มีทางยื้อแย้เลยเวลาเราปฏิบัติได้อารมณ์กรรมฐ า, านนี่พบทางแตกฉานในปัญหาแตกฉานเป็นปัญญา ไดแต่ก่อนปัญหาเป็นปัญหาพอศึกษาแล้ปัญหาเป็นปัญญาได้จะไม่ชํานาญอย่างนี้มนานอนเหลือเกินโคมหลงกี่อสงไขยหลงเคยเปลี่ยนหลงเป็นลู่ไหมความทุกข์กี่อสงไขยทุกข์เคยเปลี่ยนทุกข์เป็นความรู้ไหมความโกรธกี่อสงไขยโกรธมาแล้วเปลี่ยนเป็นความรู้สึกตัว มีบ้างหมายเมื่อเลยจะเปลี่ยนสติจะยอมหรือมันความหลงความโกรธความทุกข์มันขี่ชาขี่มามีสตาวุธหรือเพียงเป็นอารมณ์เกิดขึ้นกับใจเท่านั้นเองเป็นอารมณ์อารมณ์เป็นอาการไม่ใช่จิตเปลี่ยนได้ทุกคนเมื่อเปลี่ยนตัวนี้ช่วยกันได้มากเถอะคนเราเจะได้อยู่ร่วมกันเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุข แม้แต่เราเนี่ยก็ยังช่วยถตังไม่เป็นจะไปช่วยใครได้เรามีลูกเรามีเมียมีพี่มีน้องเราจะไปพึ่งกัได้ที่ไหนมคมร้คุ้มดีอย่างนี้้นะเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยน้ล่เป็นดีเร่ยว่าปฏิบัติธรรมจะรอไปถึงวันไหนผู้นี้ก็ไม่มีนุหวานก็ทำเลยมาได้แล้ว ผู้นี่ก็ทําอะไรไม่ได้มีแต่ผู้นี้ไม่ทําอะไรไม่ได้ไอ้มันทําไรถึงนี่มันหลงเมื่อไรผู้นี้จริจะหลงเลยมันหลงให้เราเห็นอยู่เตะๆมันทุกข์ให้เราเห็นอยู่เตะๆเปลี่ยนมันเนี่ยเราตื้อเรือล้นเห็นมันหลงยิ้มๆนะปฏิบปธรรม ห, มงงหมัวโล่กลมหลงหัวโล่กลมทุกเพราะมันมั่นใจ ไม่ใช่ยากไม่ใช่ง่ายปฏิบัติธรรมอย่าไปเอายากอย่าไปเอาง่ายอย่าแปเได้เอาไม่ได้อย่าไปเอาผิดเอาไปอย่าไปเอาถูกเห็นเนี่ยมันไม่ยากไม่ง่ายไม่ผิดไม่ถูกมันเหนือผิดเหนือถูกเหนือยากเหนอง่ายเหนือสุขเหนือทุกราวาที่รู้สึกตัวเห็นเนี่ยมันจึงมีมันจึงทำให้เกิดความเป็นธรรม ให้เปลี่ยนอย่างนี้แล้ววันหนึ่งวันหนึ่งจะมีการกระทําที่บรรจุ น, นิจฉ น, นาญมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นช า, านาญในทางนี้เลยเป็นศาสตรเป็นฉินเป็นปริญญาในทางธรรยาตะปริญญารู้แล้วชํนนานาญในทางรู้แล้วตีแล้วกระนั้ปริญญาแจกแจงได้ไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> เกอมหลงเหลือศูนย์เกอมทุกข์เหลือศูนย์แค่โก้โก้นไม่มีอะไรวิราญาณธรรมชาติเยกว่าติลขณาปัญญาปหานาปัญญาหมดไปทำไม ห, หมดไปหมดไปได้เมนมีปัญญาเหมือนกันในทางธรรมชำนิชำนาญไม่มีแต่ปัิญาทางโลก ชำนานในทางนี้เราจรึงมาฝึกตนสอนตนกนนารวันนี้เราก็กลับแล้วคณะพาาิบาลจากกรสวรรค์ั่วช่างสวัดห์โช่วงหงเล็บเด่นก็ดีให้เป็นตาไวถ่ายภาพเป็นเลนชีวิตไวครั้งหนึ่งเราเคยทำอย่างนี้ไอ้ลูกอย่างนี้ อาจจะคั่วได้ขึ้นมาเหมือนไปสอนอยมคนหนึ่งที่เหมือนเลยเขาผ่าเขาผ่ า, า, ผาต่อมลูกหมกักคนมีอายุคนแก่เขาโล่องอยู่เขาปวดเลยไม่รู้ราะว่าอกโกมีคนเอาของมาฆ่าชูข่ากูทำไมชูข่ากูทำไมกูไม่ได้ทำบาปทำกรรมม า, าย เอาคูมาข่าลายเอาคูไปสง่งคู่มีลูกมีเมียอ ย, อยู่นอนอยู่วนอยู่เราก็ไปไปก็ไปจับมือให้นอนบนเตียงโอ้ตู้โอตู้รู้จั ก, จากอาตมาบอแล้วก็ื่ตาขึ้นรู้อัญยาคำเขียนด้วอัญญาคาเขียน โอ้พอตูเคยปฏิบัติหมออนาาแล้วสอนให้เฮ็ดจังไดปฏิบัติอนยก็สอนให้พลิกมือแล้วมือพริกตัพลิกมือหุ้มเย็ยบอกหุ้มเยเอ่าพลิกมือก็ได้หุ้มเย็บบอหุ้มเย็ยอยู่ที่เด้อหุ้มเย็ยบอกหุ้มเย็บถามแล้มือไปติรู้สึกบอรู้สึกบอกลับมาไล้นี่พอตูไม่ใช่เขาหมาค่าพอตูไม่สบาย มีหมอมรักษานี่ก็ลูกสาวนี่ก็ลูกชายยืนอยู่นี่เพราะตู้ไม่เป็นลายให้ลูกอยู่นี่เน้อแล้วนอนก็นอนหลับซะแล้วก็ทําประ้งวัหลับมันหลับไปไม่ผลมันขั่วมาได้ตาเคยแล้ยถ้าไม่เคยมืดแปดด้านนะใช่ไหมฝ <laughs> ึกไหวสวนตน้นน่อยมันจะได้ขั้วอุลการท่านว่ายามยากจน อ๋ดอกจ้าหมาเสียมผม้ก็ยังสวยได้นี่ก็คั้วา ม, มารูา้ชึกตัวเป็นมาเป็นไปได้ซักห้าหนาทีก่อนจะจะขาดดีไหมเอาเอาสมควรเจรเวลากลับมาพร้อมกับ